ท, ท่านสาธุชนบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็ขอว่าพบกันทั้งเรื่องคัมโหสถเป็นอนุวาวันท้นแล้วมาจบลงตอนที่พระเจ้าวิเทหราชมาพบนาวทมพรบนต้นมะเดื่อแล้วก็ให้ราชบริษัทราชบริษคือมหาเล็กไปถามคัมราชบริษก็ได้แก่ข้าราชการ เมื่อแรกจะไปถามนางจี่ได้ถามนางว่าแม่จา๋าแม่บาสงในจีหวัวอยากจะทราบว่าแม่นรามาอยู่มีคู่ครองแนละ้วหรือย่างจะ๊ะเมื่อเขาสงสัยนะราชาตัวมีความเกรงพระองค์มีโทศพิตแรกจะทำเป็นอย่างดีเมื่อเปิดปาเออาวายวยเห็นผู้หญิงที่สวยๆฉันอยากจะได้ก็เอามาได้เฉย ไปคดไปโกงเขาอย่างนั้นที่ใสขมราชาที่ดีไม่มีนานี่ตอบว่ามีแล้วเจ้าค่ะแต่เขาทอดทิ้งใช่ทอดทิ้งฉันไว้บนที่นี้แล้วก็น้ำมาสะล้อมไว้ท่านดูสิจ๊ะดูสิว่าข้างล่างมีทั้งน้ำพงดอนและก็น้ำน้ำไม่ไผ่ ฉันลงไม่ได้แล้วเ็าก็หนีไปราชบุรุษเกิดอะไราการพวกนั้นก็กราบรทูลให้ราชาทรงทราบตามที่นามบอกสำหรับพระเจ้าวิเทราชไดว่าธรรมดาของที่ไม่มีเจ้าของย่อมตกเป็นของหลวงเพืรับสั่งให้ราชบุรุษไปขนน้ำออก เื่อนน้ำที่จะเป็นงคีโคตะภาษาไวนเอาออกจนหมดแล้วก็สั่งให้ช้างให้สายช้างหลวงที่พระองค์ทรงประทับอยู่ไปรับนางนางก็ลงมาจากต้นมะเดื่อแล้วก็นางขึ้นบนหลังช้างที่พระราชาอนิญาตให้นั่งข้างเกียงกับพระองค์ นาจยิงกลาทุนถามว่าขอเดชะพระบารมีปกรปกระปกกมมพระองค์ยาทรงพาหม่อมฉันไปด้านไหนเพคะราชาทรงบอกว่าสามีของเธอทอดเิียงแล้วใช่ไหมพระนางก็ตอบว่าใช่เพคะราชาทรงรับน า, นางเข้าสู่พระราชวังและก็ไป เ, เสด็จไปเออัคเมศสี นางพอนางจะพอใจไหมฉันบอกว่าที่ฉันนาเธอมาเนี่ยฉันยอาสู่เข้าสู่พระราชวังฉันยังไม่มีเมียฉันได้ยกย่องเธอเป็นเอะอัครมาเหเสีเธอจะพอใจไหมนางก็กรุณากากทูลว่าเป็นเพื่อหาคุณนาที่คุณกำหม่อมฉันพี่เจ้าข่างเดนจะหาอะไรเปรียบที่ไม่ได้แล้ว เมื่อนงางกราบทูลเปที่พ่อประไทยแล้วพระราชพันรราชาเพื่อให้นำนางเข้าสู่พระราชนิเวศใจการอภิเษกให้เป็นเอกอัครมเหสีานางเป็นที่โปรดปรานเขาไม่เจ้าวิเทหราชมากเพได้การรับการศึกษามาดีทั้งได้ความรู้ทั้งได้ความประพฤติรูป ร, ร่างขอ ง, งามเนื่องจากหน้าที่เขาปัญญาที่ดี ปัญญาที่ดีเนี่ยเขาปฏิบัติยังไงเนาะห <c oughs> ลักการการันปัญญาที่ดีเนี่ยเขาปฏิบัติเกิดยังไงลูกหลังที่รักต้องศึกษานะการจะเป็นนักศีปัญญากันไม่ใช่ศักดิ์เวรรักเขากล่ า, าวว่าอย่างนี้ตื่นก่อนนอนที่หลังฟังรับใช้พระราชรปัญญาที่ดีตื่นก่อนนะ เวลาตื่นก็ตื่นก่อนเพื่อทำกิจการงานทํำครัวทำงานบ้านเพื่อสามีและเพื่อตัวเวลาก็นอนทีหลังจัดของใช้ของหาอสิ่งที่มีความจําเป็นในเวลาที่สามีจะนอนไม่จะตื่นแล้วค่อยฟังว่าสามีต้องการอะไรถ้าไม่เกินวิสัยที่เจะทําได้แล้วให้ความสะดวกทุกอย่าง <c oughs> อันนี้เป็นหลักการสั้นๆของคนที่เป็นพัญญากับสามีที่มีความรักกันแล้วตะกล่าวต่อไปว่านับตั้งแต่ได้เอกครเมสีมันแล้วพนางเอาให้กันเลยนับตั้งแต่ที่ประชาชนแต่งตั้งให้นางเป็นเอกครเมสีนางจึงมีชื่อตามที่ประชาตนตนนั้นประชาชนตั้งให้ว่า ท่านนางอุธุมเทวีอุทุมพรเทวีท่านนี้ก็เพราะว่านางพระราชาได้นางมาจากต้นมะเดื่อคำว่าอุทุมพรเนี่กคือต้นมะเดื่อต่อมาวันหนึ่งราชบริษได้ให้ชาวบ้านมาทําการแพรวถางทางเสด็จพระราชดําเนินที่พระราชาจะเสด็จไปสวนหลวง โดยให้ค่าจ้างแรงงานตามสงคนรเขาจ้างสิบคนเขาก็ให้ค่าจ้างสิบคนเจ้างยี่สิบคนเขาก็ให้ค่าจ้างทุกคนยี่สิบคนคงไม่มีผีมาสมัยนี้สมัยนี้จ้างสิบคนเวลารับเงนสามสิบคนเพราะผีมาช่วยรับอนนี้หลวงปู่เคยเห็นเวลาเขาจ้างทำงานเนี่ยเขาจ้างมาไม่กี่คน เวลารับเงินจริงๆไม่รู้ว ok ่าชื่อใครมันมาผสมเสใสอันนี้จะเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ของใหม่มันเป็นของเก่าแต่ว่าคนที่มาทางนั้นปรากฏว่าในมีในปิงคุตระซึ่งเป็นสามีผีเ้านางมาทำงานอยู่ด้วยที่เราสามีผีเขาให้ยกให้เป็นเมียแล้วก็ไม่ยอมร่วมรักไม่มีความตรดทนาเมียเป็นนอนด้วยคนนี้ ตื่นเตียงเมียขึ้นเตียงผัว ก, ก็ลงจากเตียงผัวเมียลงมาหาข้างล่างให้ผัว ก, ก็มมือขึ้นเตียงดัง <c oughs> นั้นวันนี้เราเถียกันแบบนี้คนเท่าสวยเท่างดีแต่ว่าคนที่มีสิริคนดีอยูคนโช่วยอยู่ด้วยกันไม่ได้ขณะที่ในายงคุตระกําลังทํางานใครเหมนอยากรังถือจอกก้มหน้าก้มตาทางทาง พระยาดิมีอย่างนั้นพระราชาสมบัติรุณพระราชรสก็ที่นั่งกับพระนางอมพรราชเทวีได้เสด็จออกจากพระรานครมาถึงที่ในปิงคุตระทํางานอยู่พระนางอุทุมพรราชเทวีได้ทอดพระเนตเห็นในปิงคุตระคนกาเกินีกําลังทํางานอยู่ข้างทาง เพียงนี้สนงไมว่าพูโถเอ๋ยคนกาได้กินดีแค่ไม่มีวุณหสนาจะได้ครองสิรมงคลเสีนเลยแค่พนางก็ทรงประ ส, สวนคำว่าทรงประ ส, สวนก็คือโหระพราชาได้เข้ า, ญญาไในถท่วิเหสทรงประสูสสนเที่ น, นั้นก็กริยโกรธถามว่านี่คือโหระอะไร เอเล้อเยอะฉันอย่างเลยเพราะนานอยู่ในกราบทูลว่าข่าแต่ทูลกับหม่อมแก้วชายที่กําลังทํางานอยู่ข้างทางโน้นอยังไงได้พระเจ้าค่ะที่เป็นสา ม, มีของหม่อมฉันซึ่งเขาได้เอาน้ามาสะล้อมต้นมะเดือ่อขณะที่หม่อมฉันอยู่บนต้นมะเดื่อแล้วก็ห น, นีไปก็ว่าเขาเป็นสา ม, มีแต่ในน้ำ เพราะว่าพ่อยกบ่วมฉันให้เข้าใกล้ก็ไม่ได้ถูกตัวก็ไม่ได้มองฉันเห็นเขาเข้าจะมาคิดในใจว่าอนิจจาคนกาและจินมีช่าไม่มีบุญว่าสนาบารมีที่จะได้คลองสิริสเสถียรสิริก็คือไมิ่งขวัญมอมฉันไม่ขันในใจอย่างนี้พี่เจ้าค่ะจึงเอ็ดไม่ได้ที่จะวเราขึ้นมา ขอพระองค์จงพระเจ้าทานอภัยกำลองฉันโดยเถิดสิคะพระราชาไม่ทรงเชื่อจนตัดกลิวว่าเธอพูดปด <c oughs> เธอนี่พูดปดต้องเห็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอื่นจากนี้ให้บอกมาตรงๆนะถ้าไม่เช่นนั้นที น, นี้ข่าเธอดีนี่แหละ <c oughs> นี่คอมันไม่ดีโหลานไี่รักมา ตปนแรกก็ชักไฟแสงดาบออกมาทำจากฝัดไม้จากฟัดฝันเมสสีให้ขาดสบันลงไปเดี๋ยวนั้นแนะดูใชเรื่องความรักก็ความรักเรื่องความโกรธก็ความโกรธโกรธนิดเดียวไปยะขาดวันนี้ต้องขออภัยทุ่นฟังคอไม่ดีมากเมสีทรงกูร์เพรอ่อีะตรีอ จนผู้วรกาณสักครับแล้วรกายสันเทากราบทนว่าโอ๋นอ้อก็ถูกพระทูลกรหม่อมแก้วยาเพิ่งพอยาทรงยาพระทรงประหารชีนี้กรหม่อมฉันเส้นเลยขอได้โปรดถามบัณฑิตดูก่อนเถิดเจ้าค่ะพระราชาทรงยั่งพระไทยไว้ที่นี้ตรถามเสนกกม่อมว่าท่านอาจารย์ถ้านอาจารย์เสนก ท่านเชื่อคำพูดไ ม, ม, ม่เสียสของฉันไหมไอปถามว่าคนอิจฉาได้ติยาแบบนร่งเข้าเนาี่ยจะเชื่อใครคนประเภทนี้ยิ่งถามนี่ให้โทษเขาเรียกคนว่ญญาไอ้เท่าสาราพัดพิษมันมีพิษมากท่านอาจารย์เสียนกยังกลาบถึงว่าขอเชาาออนชใต้ผาละอองธุลีประ บ, บาทปกรา่าปกห ม, ม่อม ข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระเจ้ขาข่าดูดิเห็นไหมบัณฑิตท่านดีนี่ไม่มีใครจะดีละเขาต้องดีแต่คนเดียวถ้าใครดีขึ้นมาต้องตั้งหน้าอิจฉาเสียจะทำลายมันให้พินาศไปคนจังไรประเภทนี้ท่านได้มาเป็นผู้นำของประเทศใดประเทศนั้นก็บัรลัยเล่าเรื่องของเขาต่อไปเอข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อ คงไม่มีชายใดที่ยังโอ้ออที่จะทอดทิ้งสตรีที่มีความงามอย่างนี้ไม่ได้เห็นบรรหนามนี้ไปเจ้าค่ะบรานาวุมพรได้สนับอย่างไ น, นก็ยิ่งกลัวพระจัตติยาหนักปีเป็นอีกก็พักที่เพื่อดูสันทีสบระพักลงบนพระหัตและก็ทรงพระเสืออื่นทรงกันสแสงก็ร้องไห้ พระราชาก็ น, น้มิตว่าควรจะถามมโหสถต น, นิีตีคนหนึง่งเพราะว่าอิตาเสนกกับคนนั่งสี่นี้เชื่อถือไม่ได้มันชอบอิจฉาดิาสีญญาถ้าพระองค์กระสงนิ่งไว้ในใจเชื่อหรือไม่ช เ, เชื่อเฉยในฐานะของพระราชาจะทำอะไรเออวไวัยไปไม่สมควร แล้วพระองค์ยินี่หันม่พักไปถามมกถามมาหสดจึ่เฝ้าอยู่แล้วจัถามว่าดูก่อนมโหสดบัณฑิตสตรีที่มีรูปงามสมบูรณ์บรดิมันญาติจะมีบ้างไหมที่หรุษไม่พึงปรารถนามโหอสถบัณฑิตยินไดกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระองค์เชื่อว่ามีพระพุทธเดียวค่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าบริษผู้ไม่มีวาสนาบารมีเป็นกาเล็กินีแต่สตรีเป็นผู้มีเมืองฝันสิริกับกาเล็กนีอยู่ด้วยกันไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะว่าความเป็นอยู่วาสนาบารมีมันไกลแสนไกลกันเช่นฟ้ากับดินพระเจ้าค่ะไม่จัดกราบทูลแกมชัดพระราชาสงสนับคํากราบทูลขมโมโหสถบัณฑิตอย่างนั้น ก็ทรงทราบเหตุการณ์เป็นอย่างดีและก็ทรงเห็นด้วยกับถ้อยคำของม โ, โหสถัณิตที่นี่หายพ่โรธ้ายโกรทันทีหันมาปลอบเอกอัคนีเหศรีเชยพระพักข้านางคือว่าเชยคางเอาหน้านางนางนานเอ่ยนางเนห น, น, น้าขึ้นมาแลไก็ทรงดัดว่านี่น้องรักก็ร้องไห้ไปเลย แต่ความจริงเมื่อกี้เนี่พี่ลองใจน้องเท่านั้นนะอยากจะรู้ความจริงแล้วก็อยากจะรู้ปัญญาของบัณฑิตทั้งสองฝ่ายด้วยให้อภัยพี่เถิดพี่เชื่อแล้วว่าน้องทูลพี่นั้นเป็นความจริงการที่ชักหนาดอยากฆ่าการแยากฆ่าค น, นได้ง่ายโดยไม่มีเหตุผลและไม่มีสมรภูิราชาทั้งหลายก็เป็นอันว่า ันาโอทมพรราชเทวีก็ดีประทไทยกราบทูนถวายบังคมลงบนพระเพลาคือบนตักสหรับรรารชาทรงยินดีที่มโหสถกราบทูนให้สิ้นสงสยัยยังนด้จัดว่าดูก่อนมโหสถมันดิวันนี้ถ้าไม่ได้เจ้าเราก็จะต้องเสียมจากหญิงแก้ว เรารักแน่ที่เรามีความรักกับดวงใจแน่แล้วเราได้ชีวิตของนางไว้เพราะสายเจ้าและระราชาก็าทรงพระยาทายเงินให้แก่มหสศดหนึ่งแสนกระหาบนาันละคือแสนาำลิงเป็นรางวัลถ้าการอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นไอความอิจฉาด้วยสยาของอาจารย์นาซีก็มีมากขึ้นลูกหลานที่รักดูดูกันต่อไป ฟังเล่นต่อไปยิ่งโมโหสดได้รางวัลมากไม่รัการชมเชยมากเจ้าสี่เท่าสารพัดพิตมันก็คิดวิทยาต่อไปมีค่คนจังไรไม่ดีเป็นอย่างนี้นะเมืม่นนอนาวทมพรยังนิวว่ามโหสดบัณฑิตมีบุญคุณแก่นางมากที่กราบทูลให้พระเจ้าสาไมได้ทรงทราบและเชื่อถือเพื่อจะทดแทนบุญคุณของมโหสถ ที่มีตนางที่นี้กราบทูลกับพระราชสวามีว่าข้าแต่ทูลกับหมอมแก้วข้าพระ บ, บาทได้ชีวิตข้ามโหได้ชีวิตมันได้ข้าพระมโหสดบัณฑิตนับว่ามโหสดบัณฑิตได้ทําคุณงามความดีไว้แก่ข้าพระพุทธเจ้ามากเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณอันนี้ข้าพระ บ, บาทขอพระราชทานพรประจากพระองค์ คือขอพระองค์ได้ทรงแต่งตังต้งมโหสถบรรัณฑิตไว้ในตําแหน่งน้องชายของ ข, ข้าพระบรมบาทโดยเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงจิงทรงพระเยทานพรกันหนังว่าถ้าน้องต้องการเช่นนั้นพี่กอ็ขอให้พรกับเธอคอยเธอจึงคิดว่ามโหสถบรรัณฑิตเป็นน้องชายของเอนับตัง้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พระนาุทมพรนเจเทวีมีพระไทยกราบถวายมังกราบลอยมังคุดที่พระเพาพพีดงกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เปิดเผยรัตั้งแต่บัดนี้ไป้นไปข้าพระองค์จะไปบริโภคของที่มีรสอร่อยจะต้องมีบริโภคร่วมกันกับน้องชายด้วยหมายความว่ามีของกินแบบไหน น้องชายก็โปรดได้กินด้วยแต่ขอได้โปรดเปิดโอกาสให้ส่งของที่มีรสเลือดให้แก่น้องชายได้ทุกเวลาคือในพระราชาวังเนี่ยใครจะไปไหนไปไหนให้อะไรกันเนี่ยมันเป็นตามธรรมเนียมถ้าไม่รับโอกาสนง้์ถ้าไม่รับพระราชานิญาตเข้าออกไม่ได้ต้องพระราชานิญาตพระราชาก็ส่งนิญาตตามความประสงค์ข้ามนาทุกการ แล้วต่อไปเรื่องนี้ก็จบไปจบเรื่องนั้นก็มาเรื่องใหม่ต่อไปเรื่องแก้ปัญหากันไม่มีมเรื่องไมมีสิ้นสุดมาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทาราชทรงเสวยพกุกยาหารเสร็จแล้วเสาเด็จพระดาเนพระราชดํดเนินประวางพื้นยาวของพระสักด์ทอดพระเนตรออกไปภายนอก เห็นแพะกับสุนักสแสดงความสนิทสนมกันในฐานะที่เป็นเพื่อนก็แปลกประหลาดเพราะว่าชาตเติ้ลสองนี้ตามปกติมันเป็นศัตรูกันแต่ว่าทำไมหนอะที่มาอยู่ด้วยกันได้อย่าสนิทสนมคิดจะนำเรื่องนี้ไปถามบัณฑิตในวันพรุ่งนี้คำว่าบัณฑิตหมยายว่าเส้นนกเป็นต้นเส้นนกโอปุจจะเทวินทะ อะไรกนี้นะแล้วก็มโหสถแล้วพระองค์ในวันลงขึ้นพรองค์ก็เสด็จเสด็จออกขอโทษเมื่อคิดเรืงนี้แล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าประสาทจนเล่าเรื่องแพะกับสุนัขเสด็จเท่กันได้อย่างไรเขาบอกอย่างนั้นนะให้ท่านผู้อ่านได้ทราบไปก่อนเรื่องนี้มีอยู่ว่าแพะในแนวสีเกอย่างนั้นนะ แพะไปกินหญ้าที่โรงช้างโกคนเลี้ยงช้างไล่ตีต้นหลังแอ่นมล้วก็นหนีไปนอนที่ข้างเลือนตรงขึ้นข้ามกับพระเจวงังในวันเดียวกันนั้นสุนักเลยแอบเข้าไปในห้องในห้องครื่งของพวครัวไอห้องครื่งก็คือครัวเนี่ยเมื่อพวกครัวเผลอก็ลักเอาเนื้อกับปลามากิน อยกถ้วยชามที่ใส่เนื้อกับปลาหล่นแล้ว่าลักเนื้อมากินลักปลามากินเกลืนถ้วยชามที่ใส่เนื้อนั้หล่นลงไปพวกพ่อครัรที่กินข้าวจึงเปิดประตูเข้าไปดูเห็นเจ้าสุนัขมากำนนลอยเนื้อกำนลอยปลาก็ไล่ตีสุนัขร้องเมื่อเจ้าสุนัขเจ้าสุนัขร้องหนีออกไปพ่อครัก็ไล่ตีไปจนหลังแอนอยเหมือนกัน คือว่าเจ้าแพ้เจ้าแพะก็แอนเจ้าสุนัขก็แอนสุนักห น, น, กนีไปในที่ที่แพนนอนแพ้เห็นสุนักหลังแอนมาจึงถามว่าเพื่อนเป็นอะไรไปเลยที่ไม่เวียหงหลังแอนมารือว่าปวดท้องเขาคุยกันได้นะความจริงศัตรย์ใหม่นั้นอายุมากคุยกันได้สุนัขจึงถามแพ้บังว่านนี่ก็เพื่อนล่ะ เป็นอะไรไปที่นี่มันนอนซมหลังแอ้เมเือนกับเราถ้าสอนยังบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งกันและกันเข้าแบบหัว อ, อกอันเดียวกันนะเขาบอกต่างคนต่างหัว อ, อกอันเดียวกันนะมันแบบขโมยก็เหมือนกันนี่แล้วก็ถูกเขาตีมาก็ไม่ไหวก็เลยว่าทนไม่ไหวเมื่อต่างคนต่างมีโทษมีทุกันเดียวกันมีความไม่สบายใจเหมือนกัน ต่างคนต่างก็คิดว่าเรานี่เป็นมิตรกันดีกว่าเพราะเราเป็นนักขโมยเหมือนกันถ้าจะในถางที่นักว่าเพื่อนยังจะเปลงโทษไหมเจ้สมณะก็บอกว่าไม่ไหวเพื่อนเลยเห็นได้ไม่ไปแล้วละเพื่อนเดือขึ้นไปชีวิตคนเราดับแน่ก็สําหรับเพื่อนเราจะไปลงเช้าอีกไหมแค่จะบอกว่าเพื่อน ฉันก็ไม่ไปเหมือนกันคืนไปเท่งนี้คงหลังไม่แอ็นแล้วหน้าครูจะตายแน่อีตาความช้างคือคนจัดการกับเราแน่โดยแปนว่าทั้งสองสัตว์ก็มีการตัดสินใจว่ายังไงยังไงก็จะไม่ยอมไปที่นั่นกันแน่แป้ว่าสองสัตว์ตริสปากกว่าทําอย่างไรจึงจะได้อาหารมากิน แพ้ปีปัญญามากกว่าเจเนบอกว่าเอาความเห็นว่าเอาอย่างนี้เห็นนะเพราเพื่อรักเราต้องสอนมาช่วยกันข้าคิดอุ ม, มาได้แล้วเจ้าสุนักขยันขยอถามว่านี่นี่เพื่อนเพื่อนแกคิดอะไรได้รีบบอกมาเราเลยนะข้ามันหิวจริงๆน่ะเจ้าเพ่ก็บอกว่านักตัณบัดนี้เป็นต้นไป เจ้าจงไปอยู่ที่โรงช้างคนเลี้ยงช้างคงไม่สงสัยเพราะว่าเจ้าไม่กินยากแล้วเจ้าก็เอายามาให้ข้ากินเพื่ข้าจะไปที่โรงครัวพ่อพวกที่โรงครัวเขก็ไม่สงสัยไม่รังเกียจเพราข้าไม่กินเนื้อเมื่อพ่อโคครวบเหลือข้าก็จะขโมยเนื้อมาให้เจ้าอุบายอย่างนี้จะเห็นด้วยไหมนี่ นี่เขาตั้งพรรคขโมยกันแล้วเจ้าสุนัขเข็นนี่เนื้อยยินตอบว่าตกลงตกลงโอ้แบบไม่ดีแน่ตั้งแต่นบัดนั้นปเป็เดินม า, าตั้งสองก็ถ้อยทีถ้าอาศัยซึ่งกันและกันเจ้าสุนัข ก, ก็ไปขโมยหญ้าไม้ให้แพะเจ้าแพะก็ไปขโมยเนื้อมาจากสุนัขแล้วก็เกิดเปความรักกันให้ความรักกันความสามัคคีกันนะลูกหลานที่รัก มันจะเกิดขึ้นมได้จากสังขาวัตถุต้สี่ระการตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าคนเราถ้าจะรักกันจริงๆมันต้องอาศัยเหตุสิบประการหนึ่งทางการให้หมายความว่าถ้าเพื่อนมีความขัดข้องในทรัพย์สินเในพฤหารการกินของใช้ของสอยถ้าเรามีอยู่แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนอันนี้เป็นปัจจัยของความรัก เรืการอีสองวาจาเป็นของสาคัญวาจาที่พูดเนี่ยคนที่ตายเพราะปากมีเยอะทั้งกล่าวว่าปิยะวาจาวาจาเป็นที่รักเสียงใดที่เป็นวาจาอ่อนหวานสร้างความชื่นใจให้เกิดแก่มิเสหายก็ดีและวาจาที่เป็นประโยชน์ไม่มีโทษก็ดีวาจาประเภทนี้ถ้าเรากล่าวไปย่อมเป็นที่รักข้ามดาประชาชนทั้งหลาย ที่ได้สดับแล้วก็ประการที่สามทำตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นเหมือนกับแพ้กับสุนักนี่เขาพูดกันมาเพราะเขาต่างคนต่างทําตนให้เป็นประโยชน์เสี่ยงกันละกันสุนักไม่กินหญ้าไปโรงหญ้าคนเลี้ยงช้างไม่สงสัยคาบหญ้าไม่เพื่อนแพะไม่กินเนื้อไปโรงครัว คนเลี้ยงอคนในโรงครัวไม่ทปร่งใสคาบเน่ไม่เพลินนี่เขาเป็นธีรัก์แต่การเป็นทีรัก์อย่างนี้เขาบรรดาลูกหลานหลายจะไปทำเนี่ยไอ้แบบขโมยมาสู่กันนั้นไม่ดีแต่ว่าดีตอนนี้เขาว่าต่างคนต่างถ้อยทีทอาศัยซึ่งกันและกันเรื่อรายการนี้สี่ท่านกล่าวว่าจงทําตนให้เสมอกันคือเราไม่ถือตัวไม่ดังเกียรเขา เขาจะรวยเขาจะจนเราจะรวยเราจะจนจะมีศักดิ์ศรีมีความดีเพียงไดก็ตามทีทีว่าคนทุกคนนี้เป็นมิตรดีสำหรับเราบรรดาลูกหลานที่รักบรรดายติโยมผู้ดบริษัททุกท่านเป็นอันว่าวันนี้ก็หมดเวลาเส็ยแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีในโลกหลานทุกคนละมดดาในพระศุสานนพระศุสานเอกนทุกท่านสวัสดี